สวัสดีครับซีดีแผ่นนี้จัดทำเป็นธรรมทานแจกฟรีโดยผู้ร่วมสมทบทุนหลายท่านผ่านทางเว็บไซต์โ o โฉดอทนะครับสามารถเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามจำหน่ายเด็ดขาดย้ำนะครับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนห้ามจำหน่ายเด็ดขาดนะครับเบื้องต้นที่จัดทำซีดีชุดนี้แจกฟรีจุดประสงค์ก็เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัด เพราะหลังจากหลวงตาได้ลาสังขารไปแล้วก็มีญาติโยมจํานวนมากนะครับไม่ทราบว่าโครงการต่างๆของหลวงตายัางดําเนินต่อไปและมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากยังสามารถร่วมบุญสมทบทุนได้ตามปกติทั้งมู ล, ลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนค่าใช้จ่ายต่างๆของวัดป่าบ้านตาดและกิจกรรมของคณะสงฆ์ ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการจัดพิมพ์หนังสืออนุสร์หลวงตาจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2554นี้เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวนะครับและก็ครั้งเดียวเท่านั้นที่วัดป่าบ้านตาดอุดรธานีจัดทําขึ้นมาและทางคณะสงฆ์ยังได้มีมติก่อสร้างเจดีและพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาภายในวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีซึ่งกําลังดําเนินการและคาดว่าคงใช้เวลานานกว่าจะก่อสร้างเสร็จสิ้น สำหรับญาติธรรมทุกท่านนะครับสามารถร่วมบุญและสารต่อโครงการต่างๆขององค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดได้โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์เปิดอ่านเอกสารที่ผมจัดทำไว้ให้แล้วอยู่ในแผ่นซีดีแผ่นนี้นะครับหรือสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของวัดป่าบ้านตาดก็คือเว็บไซต์หลวง t า .com หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนนะครับเบอร์โทร042214114และ 042-214-115 น้เนื่องจากวัดป่าบ้านตาดไม่มีโทรศัพท์นะครับจึงต้องติดต่อผ่านทางมู ล, ลนิธิซึ่งสามารถตอบคำถามและบอกรายละเอียดที่ถูกต้องให้กับท่านได้ทุกอย่างและก็เป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุดนะครับสำหรับการทำบุญเพื่อถวายแด่องคหลวงตานั้นควรทำผ่านที่วัดป่าบ้านตาดเท่านั้นนะครับปัจจุบันมีการทำหนังสือและสร้างเจดีย์กันหลายแห่งซึ่งไม่ใช่เป็นของทางวัด ดังนั้นควรตรวจสอบด้วยและการโอนปัจจัยร่วมบุญต่างๆนั้นก็ควรตรวจสอบให้ดีซึ่งปัจจุบันในปีพุทธศักราช2554นี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและที่บัญชีต่างๆทั้งของวัดและอื่นๆซึ่งมีรายละเอียดภายในแผ่นซีดีนี้หรือโทรสอบถามกับทางมู ล, ลนิธิตามเบอร์ที่ลงไว้หน้าแผ่นซีดีนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทาบุญตามศรัทธาและก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนวัดป่าบ้านตาดให้ทำกิจกรรมกุศลต่างๆได้สำเร็จและร่วมกันสานต่อโครงการต่างๆขององค์หลวงตาให้ดำเนินต่อไปได้อีกนานเท่านานหมายเหตุไว้ตรงนี้นะครับว่าผมโจโฉในนามของตัวแทนผู้บริจาคผ่านเว็บไซต์โจโฉดอทเจัดทำซีดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดด้วยความศรัทธาส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับทางวัด แล้วก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับโครงการต่างๆของทางวัดนะครับแต่ด้วยเห็นว่าญาติโยมหลายท่านพอครูบาอาจารย์จากไปแล้วก็ไม่สนใจหรือลืมนึกถึงการสานต่อกิจกรรมและงานต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเลยดังนั้นจึงจัดทาซีดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะกระตุ้นเตือนและบอกกล่าวกันให้รู้เพราะพระท่านเป็นพระสายปฏิบัตินะครับที่คงไม่สันทัดหรือไม่เหมาะจะมาบอกกล่าวกันแบบนี้และอีกอย่าง ซีดีชุดนี้ก็จะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและเป็นการจารึกเกียรติคุณขององค์หลวงตาพระมหาบัวให้คนรุ่นหลังได้รู้ซึ้งในพระคุณของท่านด้วยเพราะเป็นซีดีที่รวมทุกอย่างไว้ได้เกือบครบถ้วนในแผ่นเดียวหากการจัดทำซีดีชุดนี้มีความบกพร่องผิดพลาดและไม่สมควรประการใดนะครับกราบขอขมาพระรัตนตรยัยองค์หลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนพ่อแม่ครูอาจารย์และเหล่าสานุสิ์ไว้นที่นี้ ขอทุกท่านได้โปรดเอโหสิกรรมและได้โปรดเข้าใจในเจตนาดีของผมด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาภายในแผ่นซีดีชุดนี้นะครับจะขึ้นต้นด้วยเพลงตามรอยบัวเพลงที่แต่งถวายหลวงตาพระมหาบัวยานาสัมปันโนซึ่งเนื้อเพลงเปรียบเราทุกคนเป็นหน่อบัวที่ควรเดินตามรอยดอกบัวนะครับสาระสาคัญของเพลงนี้ต้องเอาเนื้อเพลงมาดูจริงๆนะครับถึงจะเข้าใจว่า ทำไมถึงต้องชื่อเพลงนี้หลายคนฟังผันผ่านหรือแค่เห็นชื่อเพลงอาจจะรู้สึกแปลกๆ แ, และก็เข้าใจผิดได้แต่จุดประสงค์หลักของการแต่งเพลงนี้ก็คือการเปรียบเทียบและพูดถึงดอกบัวจริงๆนะครับแล้วค่อยมาขยายความทีหลังว่าดอกบัวที่เราควรตามรอยไปนั้นก็คือหลวงตาพระมหาบัวนั่นเองยกตัวอย่างเนื้อเพลงให้เห็นภาพชัดเจนท่อนนี้นะครับ มีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวผลิบานพ้นน้ำสว่างสวยแม้ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใหญ่พระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานได้ตามรอยบัวมีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวผลิบานพ้นน้ำสว่างสวย ขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายไยพระทําคือทางไว้ให้ลูกล้านเดกตามร้อยบัวระมหาชื่อเพลงและเนื้อเพลงจะเป็นการอุปมาอุปมัยเป็นการเปรียบเทียบถึงดอกบัวจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาชื่อหล่งตามาเรียกบัวสั้นๆเหมือนที่หลายคนเข้าใจนะครับ จบเพลงก็จะต่อด้วยเสียงอ่านหนังสือนะครับซึ่งคัดบทสําคัญเกี่ยวกับพระคุณของหลวงตาพระมหาบัวนําบางส่วนมาจากหนังสือที่เขียนโดยคุณหลวงละคณะอีกทีนะครับเป็นเนื้อหาตัวอย่างสั้นๆที่นํามาแสดงให้พวกเราและคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงองค์หลวงตาว่าท่านได้ทําประโยชน์ไว้มากมายให้แก่ประเทศไทยแค่ไหนอย่างไรจบจากเสียงอ่านหนังสือจึงจะเป็นเสียงเทศนาของหลวงตานะครับจะประกอบไปด้วยเสียงเทศนาเรื่อง การปฏิบัติเริ่มต้นจนเข้าถึงพระนิพพานและก็ธรรมะจากชุดเตรียมพร้อมจากสองซดีที่นำมาย่อขนาดให้สามารถรวมอยู่ในแผ่นเดียวกันได้และภายในแผ่นก็ยังประกอบไปด้วยรวมรูปภาพของหลวงตาพระมหาบัวซึ่งหลายภาพเป็นภาพประทับใจหายากและก็ยังมีงานเขียนของหลวงตาในรูปแบบ PDF นะครับเช่นหยดน้าบนใบบวัวชาสุดท้ายวิธีทสมาธิรวมทั้งหมด16เล่ม สามารถพริ้นมาอ่านหรือสามารถดูรูปและอ่านหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับสําหรับการจัดเรียงไฟล์ให้เพลงและเสียงอ่านขึ้นต้นก่อนนั้นก็เพื่อเหมาะแก่การเผยแพร่แก่คนรุ่นใหม่เป็นสําคัญนะครับเพราะคนมาใหม่คงจะเริ่มฟังเสียงเทศเลยอาจจะทําได้ยากแต่ถ้าได้ฟังเพลงและฟังเรื่องเล่าก่อนก็อาจจะทําให้เกิดศรัทธาในาพระคุณของท่านเป็นเบื้องต้นก่อนและผมก็เชื่อว่า จะมีผลต่อคนรุ่นหลังมากกว่านะครับหากท่านใดไม่ชอบฟังเพลงหรือไม่อยากฟังเสียงอ่านก็สามารถกดข้ามไปได้ตามใจชอบนะครับอย่าลืมนะครับสามารถเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่ห้ามจำหน่ายเด็ดขาดย้ำว่าห้ามจาหน่ายเด็ดขาดนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจำนวนมากไปแจกเองสามารถติดต่อขอรับแผ่นปั๊มจากโรงงาน สกรีน5 4พร้อมแพ็ค2นะครับได้เพียงแผ่นละ4บาท50เท่านั้นติดต่อได้ที่เว็บไซต์ j จโ h เน็นะครับราคานี้เป็นราคาที่ไม่มีอะไรถึงผมแม่ตาบาทเดียวนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นราคาที่ถูกกว่าแผ่นเปล่าในบางที่ซะด้วยซ้ำไปนะฮะทิ้งท้ายไว้อีกนิดนะครับว่าอย่าลืมร่วมกันสารต่อโครงการที่องหลงตาท่านพาดาเนินไว้ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆที่ท่านเริ่มต้นไว้ต้องหดหายไปอย่างน่าเสียดาย และอย่าลืมว่าจะทำบุญครั้งใดก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีและให้ดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดเช่นเว็บไซต์หลวงตา .com หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่มูลนิธิเสียงทําเพื่อประชาชนเท่านั้นนะครับสภพธนังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่ธรรมะ ร่วมสารต่อโครงการต่างๆของหลวงตาและขอเชิญชวนทุกๆท่านร่วมกันปฏิบัติบูชามีทานศีลภาวนาเมตตาให้อภัยกับทุกชีวิตที่ผ่านมาเพื่อบูชาองค์หลวงตาพระมหาบัวญานสัมปันโนร่วมกันนะครับหลวงตารักทุกคนหลวงตาเมตตาทุกชีวิตแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราเหล่าลูกศิษย์ก็ควรจะรักทุกคนเมตตากับทุกชีวิต ให้ได้เหมือนอย่างท่านนะครับขอให้ทุกๆ ท, ท่านเจริญตั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยๆขึ้นไปสาทุกโจโชสิงหาคมพุจศกราช2554จะมีพุทโท่เป็นหนึ่งกับลมหายใจจะเก้าตามเดินต่อในเส้นทางมาักคาหมายเหตุ ผมโจโฉนะครับทำเว็บไซต์ทํามาให้ดาวน์โหลดธรรมะฟรีและทําสื่อซีดีธรรมะแจกฟรีเท่านั้นไม่เคยจําหน่ายไม่เคยขายไม่เคยค้าหากําไรที่ไหนทั้งสิ้นนะครับทําแจกฟรีเท่านั้นปัจจุบันมีการนําซีดีที่ผมผลิตไปจําหน่ายในห ล, หลายๆแห่งนะครับก็ขอให้รับรู้โดยทั่วกันนะครับว่านั่นเป็นการกระทําของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวกับผมไม่มีไรายได้หรือส่วนแบ่งใดๆมาถึงผมนะครับ จิงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันนะครับขอบัติมูชา